จะได้ชัดเจนขึ้นมามวดที่สี่นี่เป็นวิปัสสนานะสา ม, มวดแรกเป็นสมถะอนาปานสติมันจะได้สมถะและวิปัสสนาสา ม, มวดแรกมันจะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขัน 5. ห้ามวดที่สี่นี้จะเป็นปัญญาวิมุตติ ให้เข้าเข้าใจใเข้าใจอย่างนี้เราจะเวลาเราไปทำเราติ๊กย่อๆเอาไว้มันจะเข้าใจง่ายอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเพิ่มอีกนิดหน่อยหายใจเข้าหายใจออก มันเกิดมันดับมันมันเข้ามันออกเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะฮะมันเข้ามันออกเที่ยงไหมล่ะเนี่ยนี่แหละนี่เป็นปัญญานะปัญญาวิมุตต์นะตอนนี้พอมันเข้ามันออกเราเห็นอนิจจานุ ป, ปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ข้อที่สิบสี่ วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจําวิลาคะอันนี้วิแปลว่าไม่ลาคาะแปลว่าอะไรล่ะฮะยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจถ้าจะแปลตรงตัวนั่น แต่ในนี้มันเขียนว่าตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำจางคายคือไม่ไม่ยินดีไม่พอใจวิลาคะนะแปลแปลว่าถ้าถ้าเราเห็นอันนี้จังในลมให้ใจเข้าออกแล้วเราก็จะเกิดเบือ่อหน่าย อันนี้แทนที่จะเขียนว่าตามเห็นความจางคคยจางคายเขียนว่าจางคายอยู่เป็นประจำวิลาคะแปลว่าไม่ไม่ยินดีเราเราตีความหมายออกกันแล้วกันนะท่านตีเขียนเป็นกลางๆเอาไว้เมื่อเห็นอันนี้จัง แล้วเห็นมันไม่เที่ยงแล้วจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีอันนี้จางคลายแล้วจะคลายความยินดีเขียนต่อท้ายไปแล้วก็ได้ผู้มีปากกาตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำคลายความยินดีวิราคะคือคลายความยินดี ข้อ14ก็นิโลทานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าออกตัวสุดท้ายข้อ16ปตินิสขานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำสลัดอะไรคืน เออถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็พอขันห้าคืออะไรละ่ะคือลมหายใจคืนสลัดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือรูปธรรมตัวใจคือนามธรรมหรือเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าขันห้าตามเห็นความสลัดสลัดคืนให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเมื่อ นิโรธาดับนิโรธแปลว่าดับนะดับขันห้าพูดง่ายๆเลยดับลมหายใจหรือดับขันห้าได้นิโรธแปลว่าดับทุกดับขันห่านะเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายขึ้นเมื่อดับขันห้าดับวิธีไหนล่ะนี่ดับด้วย ปฏินิสขานุปัสสีดับด้วยความเบื่อหน่ายคลายความยินดนีจึงดับได้ด้วยเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจึงจะดับได้ดับด้วยความปล่อยนะสลัดคืนสลัดคืนให้กับธรรมชาติใช่ไหมล่ะ ให้อนิจจังทุกครั้งอนตัตตาเสีย อ, อืมนี่แหละเราเราถ้าเราเข้าใจ อ, อย่างนี้เวลาเราไปทำต้องท่องให้ได้นะเนี่ยท่องให้ได้ด้ว ย, วยทีครั้งมาอัฏสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาว ออกยาวด้วยชัดชัดด้วยนะ่ะรัดสั่งวาอัศสั้นโตรู้ ล, ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นชัดชดสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงหมายถึงลมหายใจและกายเนือ้อกายหนัง รวมทั้งสองอย่างลมเข้าลมออกนั่นแหละคือกายบวกกับกายเนื้อกายหนังอีกเพราะว่ามันวิ่งเข้าไปที่เราว่าเห็นกายในกายนะเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเราอเห็นกายในกายต่อมาหมวดที่สองก็เห็นเวทนาในเวทนาหรือเวทนาปฏิ ป, ปเวทนา อะไรล่ะเวทนานุปัสนาปฏิปทานก็อันเดียวกันเมื่อเราทำหมวดที่หนึ่งอยู่กําลังดูลมสั่นลมยาวอิตกวิจาร์อยู่นั่ น, ล ม, นไไลมสัดนยาวเป็นยังไงลมสั่นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงเมื่อลมระงับดับลง เมื่อลมเบาลงเป็นยังไงลมละเอียดลงเป็นยังไงนะก็จะเกิดปีติขึ้นมาปีติปฏิสังเวทีก็รู้ปีติเมื่อปีติเกิดความสุขก็จะเกิดตามมาก็สุขะปฏิสังเวที รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกกิตตะสังขารละปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตตะสังขารตัวนี้เราจะสงสัยกิตตะสังขารนั้นโผล่ขึ้นมาได้ยังไงกิตเราเทาๆรู้รู้อยู่เฉยต้องเข้าใจอย่างนี้นะเมื่อ มีปีติสุขเข้าไปประกอบกิจกิจจึงเป็นเจตสิกจึงเป็นกิจแต่สังขารอารมณ์เข้าไปประกอบกิจสุขและปีติคืออารมณ์เข้าไปประกอบกิจกิจจึงโลภุกกิจจึงถูกปุ้งแต่งท่านจึงเรียกว่ากิจแต่สังขานพอเข้าใจเนาะข้อนี้ร <c oughs> บทวน ต่อไปจิตตะสังขารปฏิสังเวทีแล้วก็รู้พร้อมซึ่งจิตตะสังขารจิตสังขารคือจิตที่ถูกปรุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งอะไรไปปรุงแต่งเวทนาสุขนี่แหละไปปรุงแต่งจิตนะทีนี้พระพุทธองค์ก็ว่า ปัดสัมพยังจิตตสังขารหลังปัดสัมพยังไว้ว่าระงับนะทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่ทำสุขปีติสุขให้ระงับลงอันนี้นะถ้ายงระงับอยู่เวทนานั่นเองดับลงก็คงเหลือแต่ หมวดที่สามข้อ1นกิตตปฏิสังเวทีเมื่อเวทนาดับลงก็จะเหลือตั้งแต่กิตแท้นะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตเป็นกิตล้วนๆอันนี้ต่อมาอาภพิปปะโมถ้ายังกิตตังทากิตให้ปามโมท ลื่นเริงเบิกบานอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกเนต้องหายใจเข้าหายใจออกด้วยเห็นด้วยอะพิบปาโมทะยังปาโมดนั่นละปาโมดแปลว่าลื่นเริงเบิกบานปาบาลีท่านยังเรียบปะโมทะยัง ปาโมดปาโมดก็ปาปาโมด ท, ทยะทำจิตให้ปาโมดยิ่งอยู่ทำจิตให้ปาโมดลื่นเลองอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกข้อ11สมาธหังจิตตังเมือ่อจิตปาโมดลื่นเลงอยู่จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่เนี่ย ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวิโมจะยังจิตตั้งก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมติวางอดีตวางอนาคตวางขั้นห้าจึงเรียกว่าเจโตวิมุต กิจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ว่าได้เจโตวิมุตติก็ว่ากิจหลุดพ้นจากโลกจากอารมณ์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่างปล่อยวางวางหมดตัวนี้ต่อไปก็จะไปขึ้นหมวดที่สี่ข้อหนึ่งอันสามข้อนี้เป็นเจโตวิมุตต์พูดเรื่องกิจนะ อันข้อที่สี่หมวดที่สี่นี่เป็นปัญญาวิมุตนะอันิจานุปสีเห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกในลมหายใจมันก็มีจิตมีใจอาศัยอยู่ในลมจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมอยู่เมื่อลมลมหายใจก็เรียกว่ารูปธรรมรู้อยากรูปธรรมไหมล่ะ ฮะลูกเือทรรมชาติคือกายในลูกทรรมตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมหรือเรียกว่าใจลมให้ใจนี่ท่านยังเรียกชื่อหนึ่งว่าวินวันหนึ่งเราก็เดินปัญญานะจะมาทาความรู้เท่าอ น, นี้นะ จิตมันอุทานขึ้นมาวินวินวินแปลว่าหมุนว่ากันนะกิตมันบอกเราหมุนวินแปลว่าหมุนภาษาละตินภาษาบาลีเขาเรียกว่าวินหมายถึงลมหายใจมันหมุนเข้าหมุนออกจากต้นไปกลางลมปลายลมหมุนเข้าหมุนออกอยู่นี่แล้วยังได้คำว่าวินยานขึ้นมาพูดให้ฟัง ญาณคือตัวจิตคือตัวผู้รู้อาศัยอยู่ในลมสองอันท่านเรียกสมสาธสมภิถึงที่กันว่าวิญญาณ น, นี่ลมให้ใจเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าตัวเราหรือเรียกว่าตายกับใจหรือเรียกว่าขันห้านี่แหละขันหานะขันหานะีนา่วิญ ญ, ญาณ น, นี่แหละคือขันห้ามัน เข้าไปก็เรียกว่าเกิดมันออกมาดับวิญญาณเกิดดับขันห้าเกิดดับอนิจจานุปัสสีมันเกิดมันดับเที่ยงไหมะอะทีไหนฮะนี่แหละอะนิจจานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นไปจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนี่ง่ายๆนี่นะ ถ้ารู้ความหมายมันเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจึงเบื่อหน่ายโอ้ลมหายใจนี่ขันห่านี่เองวิญญาณนี่เองถ้าลมไม่เข้าเราต้องตายลมไม่ออกเราต้องตายวิญญาณไม่เข้าไปขันหา่าไม่ทำงานแล้วไม่ออกไม่เข้าแล้วจึงเกิดนิพพิธานิพพิธาแปลว่าเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายจึงจะเกิดวิลาคารุปัสีขึ้นมาได้เบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีวิลาคารุปัสีนี่แปลว่าคลายความยินดีนะเขียนให้เข้าใจง่า ย, ายอันนี้ตามเห็นความจางคลายนั่นนะอยู่เป็นประจำคลายความยินดีนี่จะชัดเจนกว่านะ อวิลาคานุปัสีเกิดตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจาเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเบื่อในคลายความย็นดีหนะ่อคลายความย็นดีนะ้ำวิลาคาร์ไปว่าคลายความย็นดีเมื่อคลายความย็นดีจึงจะดับขันห้าได้ นี่โลธานุปั ส, สีตามเห็นความดับไม่มีเหลือหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจชัดแล้วนะทีนี้นะนี่โลธาไปลว่าดับดับอะไรอะดับคันหา้าดับลมหายใจดับรูปทนมนธรทมเพราะเบื่อในคายความยินดีจึงดับดับด้วย ปฏินิสขานุปัสสีดับด้วยสลัดขึ้นคืนให้ธรรมชาติเสียธรรมชาติหมายถึงอนิจจังเห็นอนิจจังเราก็เบื่อได้เห็นทุกขังเราก็สลัดขค้ืนได้เห็นอนัตตาจึงว่า ดับขั้นห้าได้ก็ด้วยสามอย่างที่พูดเมื่อคืนเข้าใจไหมดับด้วยอนิจจังก็ได้ผู้ใดถนัดอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาหรือเราที่พูดวิโมกสามให้ฟังหนึ่งอนิมิตตวิโมก เห็นขันห้าเป็นอนิจจังจึงสลัดทิง้งใขายความยินดีแล้วก็สลัดทิง้งด้วยเห็นว่ามันเป็นอนิจจังอปปันนิหิตาวิโมกนี่เห็นว่ามันเป็นทุกขงังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้เบื่อหน่ายเพราะมันเป็นทุกข์จึงสลัด ขันห้าทิ้งได้ดับขันห้าได้อันหนึ่งเห็นเป็นอนัตตาสุญญตาวิโมกอันนี้ก็พูดอธิบายประกอบให้เข้าใจผู้ปาถนาพระนิพพานเพราะว่าอาณาปานสตินี้พระพุทธองค์ตัดสรู้ที่นี่ไทยจเจริญแล้วทำให้มากแล้วมันจะได้ เยโตวิมุตตปัญญาวิมุตตหมวดที่สคือปัญญาวิมุตตหลุดพ้นจากขันหาได้สิ้นอาสาวิกิเลสในปัจจุบันทานตาเห็น